เรื่องพระเขมาภิกษุณีพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูรส่งปรารอกพระเคมาภิกษุณีความพิสดารว่าวันหนึ่งเท้าสักกาเทวราชเสด็จมากับเทวบริษัทในระหว่างแห่งปฐมยามประทับนั่งสดับธรรมกาถาอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงอยู่ในสำนักพระศัสดา ในขณะนั้นพระเขมาภิกษุณีมาด้วยดาริว่าจะกเฝ้าพระสาสดาเมื่อเห็นเท้าสักกะเทวราชจึงยืนอยู่ในอากาศนั่นเองถวายบังคมแล้วกลับไปเท้าสักกะทอดพระเนตรเห็นพระเขมานั้นแล้วทูลถามว่าภิกษุณีนั้นชื่ออะไรเมื่ยืนอยู่ในอากาศถวายบังคมแล้วกลับไปพระสัสดาตรัสว่าภิกษุณีนั่น เป็นทิดาของอัตมาชื่อเขมาเป็นผู้มีปัญญามากฉลาดในทางและไม่ใช่ทางดังนี้แล้วทรงตรัสพระคาถาว่าเราเรียกผู้มีปัญญาลึกซึ้งเป็นปราดฉลาดในทางและไม่ใช่ทางบรรลุประโยชน์สูงสุดนั้นว่าเป็นพรามอธิบายคำว่าปัญญาลึกซึ้งพระบาลีว่า คำเพียรับปัญญงคือบุคคลผู้ประกอบด้วยปัญญาอันเป็นไปในธรรมะทั้งหลายมีขันอายตนะธาตุเป็นต้นฉลาดในทางและไม่ใช่ทางเพราะรู้ว่านี้เป็นทางทุกขตินี้ไม่ใช่ทางทุกขตินี้เป็นทางสุขตินี้ไม่ใช่ทางสุขตินี้เป็นทางนิพพาน ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละ